ปัญหาที่ห้าถามถึงสาเหตุที่ควรให้รีบทำเสียก่อนพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พนาคเซนพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้แก่โยมว่าทำอย่างไรทุกนี้จึงจะดับไปและทุกอื่นจึงจะไม่เกิดขึ้นก็ควรรีบทำอย่างนั้นแต่โยมเห็นว่า ประโยชน์อะไรกับการรีบพยายามทำอย่างนั้นต่อเมื่อถึงเวลาจึงควรทำไม่ใช่หรือพระเทระตอบว่าขอถวายพระพรเมื่อถึงเวลาแล้วความพยายามก็จะไม่ทำสิ่งนั้นให้สำเร็จไปความรีบพยายามนั่นแหละจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จไปขอนิมนต์อุปมาด้วยอุปมาการขุดน้ำ ขอถวายพระพรมหาบพิษจะเข้าใจความข้อนี้อย่างไรคือเมื่อใดมหาบพิษอยากสเสวยน้ำเมื่อนั้นมหาบพิษจึงจะให้ขุดที่มีน้ำให้ขุดสระโบกครณีให้ขุดเหมืองน้าว่าเราจักดื่ม น, น้ำอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้า ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาปพิธเมื่อถึงเวลาแล้วความพยายามไม่สําเร็จประโยชน์ความรีบพยายามไว้ก่อนนั้นแหละจึงจะสําเร็จประโยชน์ขอนิมนุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอุปมาการไถานาขอถวายพระพรเมื่อใดมหาปพิธหิวเมื่อนั้นหรือมหาปพิธจึงจักให้ไถานาปลูกข้าวสาลี หวันพืชขนข้าวมาหรือปลูกข้าวเหนียวด้วยรับสั่งว่าเราจะกินข้าวทำอย่างนั้นไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาปพิธเมื่อถึงเวลาแล้วความพยายามไม่สําเร็จประโยชน์ความรีบพยายามไว้ก่อนนั่นแหละจึงจะสําเร็จประโยชน์ข้อนี้มนุ์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก อุปมาการทำสงครามขอถวายพระพรเมื่อใดสงรา ม, มาติดบ้านเมืองเมื่อนั้นหรือมหาบพิษจึงจะให้ขุดคูสร้างกำแพงสร้างเขื่อนสร้างป้อมขนสเสบียงอาหารมาไว้ให้ฝึกหัดช้างมา้ารถธนูดาบทำอย่างนั้นไม่ได้พระผู้เป็นเจ้า ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิษเมื่อถึงเวลาแล้วความพยายามไม่สําเร็จประโยชน์ความรีบพยายามไว้ก่อนนั่นแหละจึงจะสําเร็จประโยชน์ข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระบรมศวรกนาศา ส, าสดาจารย์ตรัสประธานไว้ว่าบุคคลรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่ตนควรรีบทำสิ่งนั้น ผู้มีความคิดมีความรู้มีความบากบัน่นไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างพ่อค้าเกวียนคือพ่อค้าเกวียนทิ้งของเก่าอันเป็นทางเสมอกว้างใหญ่ดีแล้วขับเกวียนไปในทางใหม่ที่เป็นทางไม่เสมอดีเวลาพลาเกวียนหักแล้วก็ซบเซาฉันใดบุคคลผู้โง่เขลา หลีกออกจากธรรมะไม่ประพฤติตามชอบจวนจะใกล้ตายก็จะต้องซบเซาเหมือนพ่อค้าเกวียนที่มีเพลาเกวียนหักไปแล้วฉะนั้นดังนี้ขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้ากล่าวสมควรแล้ว